มีท่านหลายฐานอยู่เสมอว่าท่านอย่างไรจึงจะรับการสร้างของจิตไ ด, ด้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีหนังสือไปอ่านแลว้วมีขั้นเสค่มีแค่รึกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สา ม, มารถจะปฏิบัติได้ยามีผมก็จนใจเหมือนกัน ตอนนี้พ่ อ, อะไรก็ว่าตนเองก็ไม่สามารถจะทําใครจะมีจิตเป็นสมาธิได้หีืท่านนี้ไม่สามารถจะทรงจิตสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรขพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าท่านจบในี้เป็นอภัพภพระบุคคลตนบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึ่งเป็นโลคัปปุรถ เป็นบุคคลพวกเปล่าอย่างห น, นึ่งแล้วนี่ก็อะไรก็ว่าการเจริญกรรมฐานผมก็ไม่เคยศึกษาจากครูบาอาจารย์ไหนเพื่อนนั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นเพียงว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็กๆน้อยก็ขาพยายามทํ า, ทาให้ครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังไม่ครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบางเอิ่สิ่งที่ได้มาไม่เกิดปฏิกริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำรับที่วัดเรามีศึกษากันมากกว่าหลายเวลาแต่ก็ยังปรากฏว่ามีบุคคลผู้บกซ่องในจริยาแม้แต่ระเบียบที่อ่านฟังกันทุกวันก็สัดใจว่าฟัง คนเบืเพื่มีหาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคือไบายาภูมิเพราะอะไรก็เป็นวิสัเพราอไบายาภูมิเท่านั้นด้วยจึงเป็นสิ่งนั้นมีการฟังได้คำทานทุกวันทําไมจะมีจิตไม่เจริญเมื่อไรไม่ดีก็เพราะว่าไม่สนใจในความดี มีการเจริญพระกรรมาฐานในด้านการระรับอารมณ์ก็จึงก็ฟังเรอยู่ทุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตือนกันก็รู้สึกว่าก็จะมีพบกัาความเลวไว้ามากไม่ได้พบความดีมาเขาไม่เตือนกันบ่อยการเจริญพระธรรมาฐานเขาฟังแล้วก็นําไปกระตุ้ิปฏิบัติ ืสนสำหรับวันศุกร์นี้โดยพูดถึงการรวบรวมกำลังใจชนะประการโทจนัน้ดยการกำหนดรูนลมให้ใจเข้าออกและคำวันนาวาัพุธโธมีเป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้ทึ้งสมาบัรแปดก็ได้วีธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา แล้วมีอีกวิธีหนึ่งถ้าบัญญาตามลงไปก็ใช้ลมก่อให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปกรรมส่วนหนึคงพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆ ก, ก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถวยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปกรรมแล้ว ก, ก, ก, ก็นำรูปกรรมมาถไว้ สร้างอารมณ์ทําางใจให้เกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้แก่การกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักรุบคำก็อีกห่วงหนึ่งให้จิตมันอยู่เฉพาะรู้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักลุบคมใช้ใจเข้าและวระพุธ หายใจออกได้ว่าโทรชักด้วย่าคำเป็นหนเมตรเพราะให้จิตมันมีงา น, นม่ว่าคํามี้ร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเราเตามมราร้องตั้งมโนบริทานเลยว่าถ้าในขณะที่ชักด้วยว่าไม่ครบถ้วนตามที่เรากําหนดไว้ถ้าจิตใจเผลอจากการภาวนา เลื่อจากการรู้เราไมใ่ใจเราออกเลือจากการชักรูกปรมเราจะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เป็นจุดตัวใจจะทาความดีของเราวันหนึ่งมียี่ชัว่วโมงการกำหนดนี้เลยไมใ่ใจเข้านึกว่าพุทธกาหนดรู้เราไมใ่ใจออกนึกว่าโธ่แล้วก็ชักลูกประคำหนึ่งเล็ง เมื่อครบร้อยแปดไม่รู้สึกว่าจะใช้เวลาไม่กี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุ ม, มอารมณ์จิตได้อย่างนี้ mm. ก็แสดงว่าจิตของเรามันเรวมากกว่าดีการทำได้การนั้นก็จะเืียว่ามีความดีไม่เท่าความเลยวถ้ามรี้กว อ, อะไรก็ว่าวันหนึ่งมันมียี่สสี่ชั่วโมงเราเอาสติสมัยทันยะเข้าไปรู้ลง ใ, ใจเข้าอา ใ, ใจออก รูอคำภาวนารู้การตักว่าคำกี่นาที <c oughs> เวลานอกจากนั้นนอกเหนืนจากเวลาหลับถ้าจิตของเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ไปอยู่ได้กี่ชั่วโมงถืงอว่าชั่โมงนั้นนั้นเป็นชั่โมงในการขาดทุนนี่เป็นวิธีหนึ่งเพื่อสามารถโควบคุมกําลังใจของเราใเป็นสมาธิคําว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ <c oughs> เราตั้งใจว่าจะรู้ยังหาใจเข้าหาใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาวราพุทธโธตั้งใจว่าเราจะดึงลูปกประคำ้อบละหนึ่งเม็คือพุทธโธพุ ท, ทแลก็โธรอบสักหนึลงเม็ด <c oughs> นี่เป็น ค, คู่กันไปที่โบราณอาจารย์ท่านไมยินใช้ลูปกประคำความจริงพระพุทธเจ้าไม่น่าใช้ลูปกประ สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปครรมสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้แค่ น, นี้ก็รด้เพราะว่ากพยายามจะเอาชนะ ก, กำลังใจเป็นสำคัญเพื่อตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะทรงารมอย่างนี้ไม่ได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมสี่ประการมาจําใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่านี่เราเรียกผู้ก่อเรื่องพุทธศาสนาก็เลยเอาพุทธศาสนาโดยเฉพาะคุณธรรมมาจําใจสี่อย่างท่าเรียกใิอ้อธิบาพแปลว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในจิจเพื่อจะทุกข์ทำทุกอย่างไม่ว่าขล้องอยากหรือว่าของง่าย ขอหนักหรือขอเบาทางโลกคนดีทางทางคนดีถ้ามีอุทิศบาตรสื่อการประจำใจบุคคลผู้นั้นจะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างอุทิบาตศสื่ก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในกิจที่เราควงจะทำสว้างวิริยะมีความรู้สึกกิเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มด้วยความยาก เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความเหน่ยากกบฏสักที่เกิดขึ้นไม่ท้อถอยจีกตะสนใจฝักไปในส่วนนั้นเลยวางไม่วางธุระที่แม้ว่ามันจะยากลำบากปดิระกนนารใดก็ตามทีธุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไป นี่มาษาใช้ปัญญาใช่คน่ิจารนาเสียก่อนที่จะลงทำนี่ใช้ปัญญา่ิจตรณาในจิตที่เราทำแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีก็รนี้ไม่อยากมีคุณธรรมในสี่เรืองการนี้ถ้ามีแกบอกคลใดโอ้สมเด็จพระจอมไตรยเวสสัตวสัดาลส่งจากว่า อันนี้ของท่านที่ท่านละลายคนประสงค์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรขาดนี่การเล่สนสำหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึกว่าดีกันหลายโอ้แล้ก็แยกก่ก็หลายคนก็อะไรเพราะว่าศักระ บ, บวชศักรว่าปฏิบัติศักรว่าฟังแต่ไม่เคยทําความดี อยางนี้ถ้าบวขเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียถ้เหลือสิกไปก็เปลือกพลายแเราจะไปอยู่กันทำไมในขอบเขตของศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคำว่าสาธุชนบทตพุทธมิลลรสก็แปลว่าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์องค์แรก แต่ว่ากิเประจําที่จะทรงมีเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนวันนี้สุดเราก็ไปอาบายพระภูมิสาหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าธราวาตเพราะว่าเป็นปูชนียบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของ<ม>ีลไหนว่าพระโดนนรกแบบไหนทําไมถึงเดงน่ายกว่าส้าน ใ น, นรายการหนึ่งขับการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นก็คือสมมติว่าท่านนั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ที่เสลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา นั่งมองภาพพระโพธิโรองนี้ท่านสวยพระโพธิโรองนั้นดึงสีแบบนั้นพระโพธิโรองนี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระโพธิโรแตความจีิงการเลื่มตาและควบคุมกําลังใจได้ ด, ดีกว่าการหลักตาดูเป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆหรือว่าเราจะดูสียงใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่จะเคาะสิ่งนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ไง่ายบางทีแล้วก็น้ำใสขันมานั่นงมองดูน้ำมองดูใจดูเฉพาะน้ำจิตจัดอยู่มองดูได้สบายดีแล้วหลับื้อหลับตานึกถึงภาพน้ำไม่จิตมันเลื่อนไปแล้วก็ลืมนตาขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติกรรมาฐานเดินทดลองในป่าส่วนใหญ่เขาจะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้าในป่าเป็นการเจริญกรรมาฐานเดินธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เรีว่าแตนเรื่อการรักษาอารมณ์อย่างแพร่ๆเพื่อให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิแต่เมื่องแท้จริงๆเราใช้ไปที่ปััชนาอย่าง แต่ตอนนี้เรายังไม่คูยกันแล้วตอนเย็ยนก็นั่งดูต้นไม้ความจริงว่าเรากปหาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอป้ป่าลึกป่าเล็กป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไกลมันมีต้นไม้ตรงนั้นดูต้นไม้แล้วดูดอกของดอกต้นไม้ดูให้จิตมาจับอยู่ตรงนั้นจะภาว น, นาว่าอย่างไงรจะไม่ภาว น, นาก็ช่าง เพื่อดูใบไม้ที่มันมีความเขียวชอ่มให้จิตมาจับอยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาสวัยให้จิตมาจับอยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ําไหลจากน้ําตกที่อยู่ในฝ่าน้ําไหลไปแล้วก็ดูน้ำให้จิตมาอยู่ที่น้ํานี่ก็จะมีทีมหนึ่งที่สามารถจะควบคุมกาลังใจอยู่ได้ การใช้วิธีอย่างนี้จะใช้มันนานหรือไม่นานไม่สําคัญถ้ามันเมื่อยตามเมื่อยใจแ ล, ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หาลมสงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันเป็นสุขภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรคนได้ตามอธัธยาศัยหรือว่าเราจะพิจานาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโอ๋หนอร่างกายของเรานี่มันเป็นไม่จริงนะ มันไม่เที่ยงงๆทั้ ง, ง, งนี้พรา อ, อะไรเพราเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อต่อมาเวลานี้จะโตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เมื่อเราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยสิ่งท่าไหลายเหล่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ดัว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ตั้นี้ก็อะไรวก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะชนนี้มันเป็นปกฎธรรมดายของร่างกายคิดอย่งนี้กันได้ประเด็นถ้าคิดอย่างนี้นเป็นวิจรารณญาณก็ย่างอ่อนเมื่อสภาะร่างกายที่เพียงถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกนี้เท่าโลกเลาจะหาอะไรเป็นสุข ความจริงความสุขมันมีสําหรับใจเรานี่เราคือใจเรายอมรับนับถือก่อนธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่เผลอนะ้ำนมในความเป็นจริงของโลกโลกเกินจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังถ้าเราเกาะแลนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกข์ทุกข์ตัวไหนแล้วบ้านมันจะพังเราเกือบจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุกข์ แปลว่าแค่จิตใจให้ เ, หเรายอมรับนั่งถือกดก็ธรรมดาว่าสภาวะสมัยของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดกำเนิดเบือนองต้นมีความเสื่อมไป็นระยกลางมีการสลายตัวไป็นที่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะฟังก็เชิญมันฟังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันฟังไปก็หมดเรื่องหมราว ไม่แต่ร่างกายของเราก็าจะต้องพังถ้าและก็หนุนไม่คิดแตงร่างกายของเร า, าสมมติว่าร่างกายของเราจะต้องพังลงไปเวลานี้เราจะทำความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ตอนน้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันแก่อยู่เส ม, มอหรืคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันขเราจะหัก ถึ้คนก็หัวหงอกออ ก, นหนก็หั ว, ห ว, หวลาาาว้านก็นนออไไนก ค, คิดว่าสักวันหนึ่งขนาดผมของเราไม่หัวหงอกก็ล้านถึงคนก็มีอสายตาสั้นคือมันเขาอาศัยความแก่เป็นสำคัญมองอะไรไม่ถนัดก็คิดไม่ว่าสักวันหนึ่งข้านาดสภาวะของเราจะเป็นอย่างนั้นถึ้คนก็ป่วยไข้ไม่สบายก็มีความรู้สึกไม่จุดสมรรถว่าสักวันหนึ่งข้าหน้าเราก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้ เก็นคนถขาตายแล้วสัตว์ตายก็จะคิดว่าชี้ชิงซีเพราเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็น น, าานิบาสนาญาณทำกำลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปรามมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน เพราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นแล้วหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองดูก่อนว่าเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันจะมีวรปัสนาญาณสมถาวิปัสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยก เ, เ, เราแยกไปไหนเราพูดแยกก็แยกขับทรงเดชเพื่อความเข้าใจเท่านั้น เมื่อหากว่าจะพาว่าอย่างนั้นไม่เกิดแล้วก็บอกช่างมั้ยอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามปลา ม, มันไม่ได้ไม่อยากจะเกิดหนึ่งก็เกิดเกิดก็อาศัยความโลภเป็นปัจจัยถ้าเราได้เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่ว ย, ยไข่มาจสมัยมีการคักกายจากของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็ น, นี่จะเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยเพื่ อ, เ, อ, เ, อ, อ, อเกิดมาเพื่อพักกายจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บาวนา้นไเสรก็ชั่งมันจะเป็นอะไรก็ชั่งมันใครเ้าจะด่าเขาจะว่าเขาเนินทายก็ชั่งมันใครเขาจะสงเสริญย่อก็าสช้างมันา ก, ากน็ว่าการด่าการว่าการเนินทาคการสงเสริญไม่ได้ทำให้เราดีหรือให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนวุวาเรายอมรับนับถือกฎขั้ธรรมดานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําใจเราสบายอารมณ์เราที่จะสบายจริงๆนีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คืออารณ์สมาธิสมาธิทําใจให้เป็นสุขคําว่าสมาธิเราการตั้งใจตั้งใจอยู่ในขอบในตัวความดี มีเป็นอันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้มีอารมณ์ทรงตัวมีวิธีมากมายพระพุทธเจ้าทรงแสกไว้ถึงสี่สิบอย่างแต่เราพอใจอย่างไหนแล้วก็ทำอย่างนั้นรเวลาเราจะอ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจานี่ลันก็เป็นสมาธิทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจำ ตั้งใจดูตั้งใจปฏิบัติตั้งใจง า, านให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิกาอพูดการคุยกับใครก็ตามคุ้มอารมณมัโดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจถ้าหากว่าท่านจะหันีข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบเป็นรู เพราะว่าเราสามารถเราควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้อนดีโอสอมดุลไฟจอนไตรเวอร์เมสันดาต้องกา ร, รก็คือผลิตภัณฑ์ตัว่องผลิตพันฑ์นี้จะได้มาจากอิปัสนาญาณอิปัสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะสายสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิอิปัสนามันก็มีไม่ได้ในรนดับแรกก็ต้องจุดกําลังใจสมาธิให้ได้ตัวสองฝ่าย คืออารมณ์หยุดอยู่กัสภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึง่งเคื่อรู้อรารมณ์ภาวนาอย่างใดอย่างห น, นึ่งนี่ไปลงสมาธิจองจิตให้หยุดเป็นฌานกับสมาธิแบบแหบบนึง่งก็ได้แต่ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงท้กอย่างของสภาวะในโลกเพราะว่าตามสภาวะากว็ทํำก็ตาม เมื่อจิตเราทรงอยู่ในรมนั้นตัวนี้ก็เป็นลมสมาธิทำจิตให้ปนสุขตัวนี้สุขมากสุขดีกว่ารมทรงตัวปกติเพีนงแค่สำหรับนิ้มหา่ใจเขาออกแลว้วทำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกแลว้วภาวนานี้ทิ้ไม่ได้แน่แพ่ยงแค่อะไรอย่างอื่นก็าตามที้ไม่ได้ถ้าเราจะรู้ว่าทำไมเราจึงจะทงสมาธิได้ เขาบอกคนได้ทางสมาบัติเนอร์ายสุคาวิปัสสโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นไซ ส, สุคาวิปัสสโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีแล้วก็ามาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการซึ่งกำหนดรู้ือไม่ใจเข้าออกคำภาวนาว่าพุทโธด้วยการชักรูกคาด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องยู่ในจิตเขาเราทุกขณะจิตหรือเปล่า ท้ามันก็ อ, องอยู coping, ่ในจิตของเราทุกนาจิตโดยอัตโนมัติว่าจากงานว่าจากการศึกษาหรือว่าจากการพูดคุยจิตจักอารมณ์อย่างนั้นทันทีอย่ามีที่ว่าจิตเป็นชั่นตรงไความประสงค์องค์สัตวสัมมากัพพตเจ้าแลาท่านพยโยคาวาจอนทั้งหลายส่วนการแนะนํากันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์ เพื่อแก้อารมณ์เพืส่สร้างก็ขอแนะนํากันเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้ยอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาศัยความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถส่งอารมณ์สมาธิได้เพียงแค่นั้นก็ต้องอาศัยอฏิบัติสี่คือฉันพระความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ทอถอยรูปปัจจักจิตาตัณงใจไว้วิมังสายใช้ปัญญาเพื่ขอต้องพิจารนาเสีก่อนจริงธรรม ตลอเวลานี้จะเห็นว่าเนการส่งคนตลอเวลาขอบรรดาท่านหลายปัญญาเมตตาอารมใจของท่านในอุปัฏฐาบทที่สี่คือจะนั่งก็ได้ ย, ยงดดิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอุปยาฐาไซจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเอไม่จํากัดเวลาปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้บรรดาท่านบริษัททาตามความประสงค์แต่ถว่าจะลืมนะ ยาใช้กำลังให้มันเครียกเกินไป่งกว่าที่เรียกว่าเป็นอัตรากิรมฐานิโนยกเช่นประสาจะเสียได้เกิดมีโรคบ้าเกิดขึ้นพระจะมาหาว่าคือบาอาจารย์ไม่แนะนำสั่งสอนถ้าต่อจานี้ไปขอทุกท่านปฏิบัติไม่ได้ตามอัตยานสายจงกว่าจะพอเก็กกำลังใจที่ท่านต้องการ